อันนั้นส่วนมากไม่ค่อยมีปัญญาแก้ไขเลยบางคนแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกกรุ้มใจหลายยิงตัวตายกินยาตายมีอยู่ทั้ไปในโลกอันนี้ น, ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ในทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของขิดใจนี้ได้ มันพอแก้ปัญหาของร่างกายนี่พอได้อยู่นนแต่เกี่ยวแก่วิชาชีพต่างๆหมูนั้นเนีผู้ใดเรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทำมาหาเรื่องชีพได้คล่องแคล่วดีจะเรินดีวันนี้เมื่อมาเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วไม่มีทางแก้เลยอั น, นี้ก็ถ้าตนเองไม่สังหารตัวเอง ก็ไปขัดแย่งกับคนอื่นคนอื่นก็มาสังหารตัวเองเข้าไปเมื่อนี้แต่ถ้าหากว่ามันหันหน้าเข้าหากันพูดกันให้รู้เรื่องปรับความเข้าใจกันผอนสั้นผ่อนยาวหากันเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาอของชีวิตที่ร่วมการร่วมงานกันมันก็ตกไปได้ มันก็ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเปลียนอาคาตซึ่งกันและกันแต่นี้มนุษย์เราเนะ่มันกิเลสมีหลายอย่างวะทั้งมานะทั้งทิฏฐิด้วยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนี่สารพักรดกิเลสมันครอบงมจิตใจของคนอยู่เมื่อบุคคลยังละกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางไม่ได้มันถึงไม่ยอมหันหน้าเข้าพูดกันเลยพูดกันไม่ได้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 สมณะพรามนี่จะทะเลาะกันเพราะอาศัยทิฏฐิครอบงำจิตใจของผู้นั้นคือทิฏฐิได้แก่ความเห็นเนี่ยไปยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นอ น, นั้นอย่างเหนียวแน่นเมื่อสนทนากันต่างคนต่างก็จะให้คนอื่นลงความเห็นกับกับความคิดความเห็นของตัวเอง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 ไม่ถือรั้นเอาแต่ตัวเอาแต่ความเห็นตนฝ่ายเดียวสามัญ น, นะเหล่านั้นจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้และนี้ทรงสแสดงว่าคาหัดนั้นจะทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันเพราะอาศัยกามคุณเป็นเหตุความพอใจในกามคุณความยึดมั่นถือมั่นในกรรมคุณอย่างเหนีวแน่น อันนี้เป็นเหตุให้เกิดมานะทิฐิขึ้นเป็นเหตุให้แกล้งแย่งแข่งดีกันเมื่อใครมีความรักให่สิ่งใดพอใจกับสิ่งใดก็จะแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางแล้วเป็นนั้นว่ากําจัดมันไปเลยนี่ต่างฝ่ายต่างก็ดวางแผนการห้ำหั่นกันลงไป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 เราอยู่ร่วมกันนะ่ะแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าหากว่ามาพิจารณาเห็นโทษแห่งกรรมเมื่อคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไวนะ้นั่นเช่นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนซากศพที่ตายแล้วบรรดาสุ น, นัข ก, ก็ดีแรงก็ดีกาก็ดียื้อแย่งกันกินอยู่อย่างนั้น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 นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วถ้าบังเอิญว่าไปขัดผลประโยชน์ของกันลนกันเข้าก็เลยเกิดทำหันกั น, นก็เลยเพียงพัมก็เลยตายไม่ได้บริโภคกามะคุณตามประสงค์ซ้ำเลยอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นโทษแท่งกามกคุณ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลูกเปรียบให้ฟังมานี่แล้วมันก็น่าจะ เมื่อน่ายในการยือ้อแย่งกันนะในการไปแข่งดีกันไปชิงดีชิงเด่นกันโมนีน่นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทางกองดองสามคีกันหันหน้าเข้าพูดกันให้รู้เรื่องราวกันดีแล้วผ่อนผันหากันเช่นนี้แล้ว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 การไม่ลงรอยกันว่ามันเป็นไปเพื่อทุก เ, ออเมื่อมันเห็นโทษได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำนะคนเหล่านั้นก็ย่อมหันหน้าเข้าหากันผ่อนผันกันไปเราก็อยู่ร่วมกันไปได้โดยสันติสุขไม่ว่าทางวัดไม่ว่าทางบ้านหากว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายดีตามสภาพ โดยเฉพาะเป็นนักบวดนี่ยิ่งมีความสุขมากเพราะเมื่อหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันมีเมตตาไม่ตรีจิตต่อกันและกันสม่ำเสมอไปเจนี่เมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปใจมันก็สงบลงได้ดีใจก็ไม่ฟุ้งพล่านเลื่อนลอยออคนเราถ้าหากว่าทำใจสงบได้แล้วมันก็สบาย ถึงจะยังไม่บรรลุมรรคธรรมวิเศษอะไรก่อนก็ไม่เป็นไรก็กยังมีความสุขอยู่ขอให้ทําใจสงบลงไปอย่าปล่อยให้ความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทเหล่านี้ครอบงำจิตใจก็แล้วกันเมื่อไ ม, ไม่ปล่อยให้กิเลสอับหยาบนี้ครอบงำจิตใจแล้วผู้นั้นย่อมทําใจได้ทําใจให้สงบได้ออถ้าหากว่า กามาวิตกยังกินหัวใจอยู่ยังปล่อยให้กรารมาวิตกมันครอบงำจิตใจอยู่ก็ดีปล่อยให้พยาบาทวิตกครอบงำจิตอยู่ปล่อยให้วิ่งสามวิตกครอบงำจิตอยู่เช่นนี้แล้วภาวนาไม่ลงแน่นอนเลยอ่าก็นั่งภาวนาไปก็จะไปคิดแต่เรื่องเกลียดชังกันอวางแผน ที่จะแก้แค้นซึ่งกันและกันอยู่นั่นนะ่ะมันจะเอาอะไรมาสงบลงได้ล่ะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้อุปสรรคของสมาธิภาวนานี่ไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชอันถ้าผู้ที่ต้องการความสุขจริงๆแล้วมันก็ต้องมาฝึกจิตนให้สงบลงไปเหมือนกันหมด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 บางคนก็ไปทำชั่วเพราะกลัวก็มีกลั ว, ลวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลที่แสดงออกมาถ้าหากว่าตนไม่ทำชั่วอย่างนั้นจะถูกอำนาจอันนั้นมันบีบบังคับเอาอะไรโมนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำดีลงไปแล้วใครจะมาว่ า, างไงก็แล้วแต่ เราไม่ก็เราไม่หวั่นไหวนี่เพราะว่าความดีนี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วโลกมันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะไม่มีใครต้องการปรารถนาเลยนี่แหละเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาจิตที่เป็นกลางนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันเอียงไป <c oughs> แม้เป็นเคืึงหักก็รักษาได้เหมือนกัน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 ถ้าไปขืนไปเศ้าโศกเสียใจกรุ้มใจก็เป็นทุกข์เปล่าเปล่ า, ลาไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ทำกับลูกทำทาจิตใจกับลูกนะต้องทำอย่างนี้ถ้าใครมันมีบุญวาธนามีสติปัญญาเขาทำดีเ้าไปก็ส่งเสริมให้เขาดีไปถ้าใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้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 เพื่อให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับจนกลัวจะเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ท่านผู้ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตัดรู้เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ก็มีเมียมีมลกูกเหมือนกันคลองเรือนมาแต่ว่าเพื่อเพื่อนคลองเรือนด้วยคุณธรรมอตั้งอยู่ในยุติธรรม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 เมื่อสร้างบุญบา ร, รมีมาในภพใจชาติบุญบา ร, รมีเต็มลงในชาติได้บุญนั้นก็ดลบนานาลให้ไปเกิดพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเข้าให้เอเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทรีย์เก่กล้า ม, มากเรียวว่าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมียอดเยี่ยม พอจะได้ฟังธทมนิดหน่อยก็สำเร็จอรหันได้ทันทีเลยแต่ท่านที่อินทร์บา ร, รมียังเต็มก็จริงอยู่ดอกแต่ว่าพูดถึงคุณวิวเศษคุณพิเศษอันนั้นมันยังไม่ยิ่งพอเพราะองค์เก้ยวก็ทรงแสดงธรรมไปมากหน่อยหนึ่งจกรงก็ได้บรรลุมรรคผลไปได้อย่างนั้น สำหรับบางแกมพวกนั่นนะ่ะถึงแม่บุญบา ร, รมีเต็มแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าคุณพิเศษอันที่จะให้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนั่นไม่มีมีคุณพิเศษที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลบางท่านก็ต่อเมื่อจวนจะหมดอายุสังขารจึงบรรลุมรรคผลที่ผานก็มีแต่บางแกมพวกเมื่อ ภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดประการไปไปถึงระหว่างกลางของอายุก็ได้สำเร็จมรรคผลไปก็มีไปถึงวัยแก่ชราลงไปได้บรรลุมรรคผลก็มีนี่มันอุปนิสัยของคนเราที่สร้างบา ร, รมีมาไม่เหมือนกันนะเชาวัยไหวพไวริบของคนเรานี่มันเร็วและช้าขั่วกันนี่ บางคนก็มีความคิดเชยชาค่อยคิดค่อยก้องไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะรู้ความจริงแต่ละอย่างละอย่างแต่บางท่านบางคนมีเชาวไวไวพริบรวดเร็วชวนะจิตรวดเร็วคิดอะไรก็คิดได้เร็วแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้รวดเร็ว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 าัานั้นคนเราเนะ่ะมันถึงยิ่งกวการหย่อนกูกันเนะี่ยเพราะต่างคนต่างมีพื้นเพของจิตใจนั้นมาแต่อดีตชาติถนหลังนน่นมันแก้ไม่ตกอืใครตั้งต้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่ทุกคนให้รู้จักชาวน่าจิตของตัวเองนะถ้ารู้ว่าตนเองนั้นมีความคิดเชื่องช้าอย่างนี้นะ อาก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทําความเพียรคิดพิจารณาตรีตรองไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเราจะพิจารณาธรรมะเรื่องนี้แหละอย่างนี้นะอะกําหนดแล้วพิจารณาไปมันเมื่อสภาวณจิตมันเชื่องชา้าอย่างนั้นมันก็นานรู้เละนานเข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ภากเพียรพยายามไปอย่างนี้นะ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 ทว่าหน้าจิตช้าออคิดอ่านอะไรไม่ค่อยได้รวดเร็วอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าประมาท ก, กันเราต้องภาคเพียนพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้อออย่าส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยว่าว่าโดยรวมๆลงแล้วนะถ้าเราเพียนเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้แล้ว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 มาแล้วตั้งหลายครั้งหลายหนนาเพราะนั้นอย่าลืมให้เอาไปคิดไปตรองให้ดีถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเรื่องทุกข์นี่แล้วมันจะไม่พยายามอยา ก, กหาวิทางออกจากทุกข์เลยเอาทุกข์กายอย่างนี้นะเอาได้ร่างกายนี่มาแล้วก็ต้องมาประครบประงมกันด้วยความยากลำบากอ ย, อย่างนี้อ <c oughs>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 นับว่ามีความสบายกว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ขวานขวายหาปัจจัยสี่ด้วยลำพังตัวเองเนวศแสวงหาไปตามศิลตามธรรมแล้วเสร็ จ, จะได้ได้มาอย่างไรกอยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นเราไม่ทะเยอะทะยานในปัจจัยสี่นั้นเกินขอบเขต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 บันี้ทุกทางกายนั่นก็จิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้บันิจิตทำความรู้เท่ามันนี้นะนั่นรู้เท่าว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรร่างกายอันนี้เมื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแลว้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันร่างกายอันนี้ฝึกจิตนี่ไม่ให้มันเสียใจดีใจกับมันเข้าไปให้วางจิตให้เป็นกลางลงไป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 ไม่ถือมันมันไว้เลยอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากได้อันสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับไปอย่างนี้แหละอา้าวถ้ามันเกลียดชังใครขึ้นมาในในมันก็วิตกวิจารถึงเรื่องความเกลียดชังอันนั้นเมื่อเรามากำหนดละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs>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 แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากความหลงนีนะ่นะว่าเหนียวแน่นมากเพียวมันละเอียดมากไอความหลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาคเพียนพยายามพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอาถ้าพิจารณาไปหากว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงอาการพิจารณามันจะเฉไปทางอื่นนน่ะ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 ให้เข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อใจวอกแวกไปอยู่นั้นก็ยังขืนพิจารณาไปอยู่มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยแบบนี้นะเอา้าเรามาเพียรพยายามเพ่งใจนี่ให้มันสงบลงเมื่อใจมันสงบแล้วพิจารณาอะไรมันก็ได้ความแบบนี้นะ เป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ควรจะละเห็นแจ้งด้วยปัญญาแในมังกระละลงได้สิ่งใดที่ควรจะลงมือกระทาให้เกิดให้มีมันก็ทําไปได้เพราะมันมองเห็นลูกทางด้วยปัญญาแลว้วเช่นนั้นนะอย่าว่าแต่การงานภายในใจิตใจการละกิเลสตัณหาภายในเลยแม้คิดการงานภายนอกที่เราจะต้องทํานี่ก็เหมือนกันนะ ถ้าว่าเราอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งแล้วเพ่งพิจารณาไปอย่างเนี้ยมันสามารถมองเห็นช่องทางได้มองเห็นช่องทางที่จะทำการงานอ น, นั้นให้สำเร็จรุ่รงไปได้ตามเป้าหมายถ้าว่ามันติดขัดตรงไหนเราเข้าสมาธิแล้วเมื่อใจตั้งมั่นเอาไว้แล้วพิจารณา เข้าไปเนี่ยมันก็เห็นรูทางที่จะแก้ไขไอ้ข้อขัดข้องที่มันแก้ไม่ตกนั้นได้เห็นช่องทางได้เมื่อทําใจสงบลงไปแล้วนะนั่นเลยดั <c oughs> ะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะถ้าเพื่อลืมหลักสูตรอันนี้แล้วไม่ได้ความแล้วทำอะไรก็มักจะเหลวไหลไป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 อารมณ์ที่มันคิดว่าวุ่นอยากอยากแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องงดลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดมันพยายามสะกดจิตให้มันหยุดคิดในเรื่องนั้นซะก่อนเมื่อมันหยุดคิดลงไว้ได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่แล้วนี่ก็ยังค่อยนึกคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนอยอย่างนี้พอคิดคิดอย่างนี้บางทีมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมา ไอเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยแล้วการแก้ไขเรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาสักหน่อยจะให้รวดเร็วนั้นไม่ได้มันก็บอกมามันก็รู้เรื่องนี้เมื่อเมื่อดาเนินไปอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ไขได้รวดเร็วมันก็รู้นี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ <c oughs> เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้นะ่ะไม่ไม่ค่อยผิดพลาดการดําเนินงานต่างๆนะอมันก็ไปได้แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันมันก็ใช้ทัศนะอย่างเดียวกันนี่แหละเธอใช้การฝึกผลอารมณ์จิตให้สงบอแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแนวรดีวกันเล ย, ยนั้นการแก้ไข อุบสรรคความขัดข้องในครอบครัวตัวเรือนก็เหมือนกันนะส่วนมากคนนะ่ะมันไปแก้ไขความขัดข้องด้วยอารมณ์อันวู่วายฉุนเฉียวไปแก้ไขในขณะที่จิตใจฉุนเฉียวอึดอัดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ความเลยถ้าแก้ไขไปก็ไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละ บางทีก็เกิดทะเลาะวิวาดกันเลยในระหว่างสามีกับภรรยาลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้มันนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยเมื่อได้โอกาสเวลาไหนก็ น, นั่งสมาธิภาวนาสะกดจิตนี่ให้มันสงบลงไปพาเพียนพยายาม ถ้าทําลงไปโดยรวดเร็วมันสงบไม่ได้ก็ภาคเพียนไปไม่ท้อไม่ถอยทําภาคเพียนพยายามไปอยู่นั้นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็คงสงบลงไปครั้งหนึ่งให้ได้นี่เรื่องเรื่องการฝึกเกียรตินะต้องอาศัยความภาคเพียนจริงๆนะขอให้เข้าใจเราจะไปทําเ อ, อ สุกเอาเผากินเลยอย่างนี้มันจะได้อ ไ, ไม่ไม่ไม่มีทางนะขอให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดธรรมชาติของจิตนี่มันละเอียดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันความคิดของจิตนี่มันว่องไวที่สุดเลยนะอย่างนี้อ่ะมันไวยิ่งกว่าลมโนนะ อ, อืดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกสติสมบัติชน ญ, ญาณนี้ให้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 แต่ว่าคำว่าดวงจิตหรือความรู้หมนีมันก็เป็นเรื่องสมมุติบัรยัตต่างหากหรอกถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยเดังนั้นจึงต้องสมมุติเอามาใช้นั่นแหละทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วสมมุติอันนี้ก็ดับไปดับไปในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นนะนั่นหละแต่เมื่อเวลาจิตยังไม่หลุดพ้นนี่ มันก็ต้องสมมุติออกมาใช้อยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็เราสมมุติอ่อยเฉยเราคิดแต่เราก็รู้เท่าความคิดความสมมุติอันนั้นไปจิตเราวุ่นวายก็รู้รู้ว่าจิตวุ่นวายอย่างนี้นะจิตสงบลงไปก็รู้ว่าจิตสงบออ เอาความรู้อันเดียวนั้นในขณะนี้จิตมันวุ่นวายก็กำหนดรู้มันพอกำหนดรู้เท่ามันแล้วมันมันไม่วุ่นวายแล้วมันจะรังงับไปแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดวุ่นวายเลยเนั่นให้เข้าใจไว้ให้เอาใกล้ๆนี่นะเออในขณะนี้จิตกำลังวุ่นวายอย่างนี้ก็กำหนดรู้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 คิดไปแล้วก็ดับไปคิดไปแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะคิดไปเอาวิมานอะไรอ่ะพอมันมันที่นาเห็นอย่างนี้มันเบื่อแล้วอนี้มันเบื่อความคิดอะไรนัมันก็หยุดลงอ่ะเมื่อมันเบื่อแล้วมันหยุดแล้วแบบนี้อ่านี่แหละคำที่ว่าผู้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีความเพียร น, นั่นนะให้เข้าใจเพียรเพียรให้ขยับเข้ามา ควรกระแสะเข้ามาให้มันใกล้กับจิตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าเพียนทรงจิตทรงความคิดออกไปขทางไกลจากความรู้สึกอันนี้ให้เพียนให้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอมเมื่อเพียนใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วพอมันอิ่มอารมณ์ันนั้นหมดแล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแบบ น, นี้นะอ่า มันอิ่มนี่เมื่อพิจารณาไปเมื่อมันคิดไปเรากำหนดรู้ไปรู้ไปอย่างนี้แล้วไปไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีแกนสารอะไรแล้วมันอิ่มแล้ววันนี้มันอิ่มความคิดอันนั้นแล้วมันก็หยุดลงพอมันหยุดคิดลงได้มันก็เหลือแต่ความรู้กับสติแบบนี้ก็รู้ได้เลยว่าจิตนี้อิ่มอารมณ์ทั้งหมดแล้วอิ่มแล้ว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 ก็มันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยเอา้าวอาพูดกันอย่างตื้นๆ้นว่ะเช่นรับประทานอาหารมือเช้านี้แล้วเอาตกมือบ่ายมาผาดิวแล้วอยากอีกแล้วนี่ความรู้สึกนี้มันก็เปลี่ยนไปตามสังขารที่มันแปรผันไปนั้น เป็นอย่างนั้นอา้าวพอถึง <c oughs> พอถึงเวลานอนบันนี้อา้าวเกิดหิวนอนขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่นอนก็เอาละกวนกไวน์เป็นอย่างนั้นอ่าก็ไปนอนอา้าวพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมา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 เ, เมื่อแดดเผาเข้ามาก็ร้อนอพ้นตกรถลงมาก็ห น, นาวโมนีเ่เมื่อสังขารร่า ง, งกายนี่มันต้านทานต่อภัยธรรมชาติไม่ได้มันก็วิบัตรลง เ, เป็นไข้ปวดศีรษะบางทีก็ไปรับประทานอาหารสแลงกับธาตุเข้าไป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 ก็สอนตนเข้าไปอ่ะ <c oughs> อืมอืมนี่แหละการที่จิตใจไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละรู้ไหมอแล้วแล้วจะปล่อยใจให้มันพุ่งซ่านอยู่อย่างนี้เลรออนี่ควรที่จะเบื่อควรจะนายความคิดอันนี้เพราะมันไม่มีสุขเมืแต่น้อยเดียวมีแต่ทุกข์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 ถ้าเราไม่อบรมสมาธิให้เข้มแข็งไม่อบรมปัญญาให้แหลมคมมากอย่างนี้นะมันก็ตามจิตนี้ไม่ทันเลยสอนจิตนี้ไม่ได้เลยนั่นแหละถ้าว่าเรามีเราอบรมปัญญาให้มันเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแล้วอย่างนี้มันก็มีอุบายสอนจิตนี้เข้าไปแล้ววันนี้นะ เมื่อจิตที่มันวุ่นวุ่นขึ้นมาเอามันก็นึกถึงอุบายอันใดอันหนึ่งมาสอนจิตเข้าไปจิตมันเห็นแจ้งตามอุบายนั้นนะมันก็หยุดวุ่นมาหนิมันก็ปล่อยก็วางอารมณ์ที่มันยึดมันถือไว้นั่นนะอ่เป็นอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละคนส่วนมากนะมันไม่มีความเพียรนะเพราะว่า ทำความเพียรไป น, นิดหน่อยๆเท่านั้นแล้วใจสงบลงไ ม, ไม่ได้แล้วก็ถอยห ย, ยุดเสียไม่ภาคเพียรต่ออย่างนี้นะแล้วมันจะได้ผลยังไงแล้วมันจะทำให้จิตสงบหนักแน่นลงไปได้ยังไงอ่ะมันสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ, ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาสิตธิ์ไว้ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ ตอนหลังนั่นเะอว่าบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพราะว่าความเพียรนี่มันหมายถึงความการกระทำไม่ไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าพยายามเดินหน้าไปเรื่อยนี่นะแต่ว่าเดินไปช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ชาวน่จิตของบุคคลดังที่พูดมาแล้วนั่นเนี่ยผู้มีชวน่จิตเร็วมันก็ภาคเพียนไปได้เร็วผู้มีความคิดเฉยช า, าการทำความเพียนมันก็ช้าเอาก็ไปตามกิริยาจิตของตนนั่นแหละจะให้มันว่องไวเหมือนอย่างผู้ที่มีชวน่จิตไวมันไม่ได้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 แม้จะเป็นชั่วหนึ่งขนาดหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่น้อยแล้วนะฮะนะให้เข้าใจแ้่เราทําใจให้สงบลงไปได้นานเข้าไปสักหน่อยบุญกุศลมันก็มากขึ้นอมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราใช้อุบายปัญญาสอนใจให้ละความยุ่งใจความวุ่นวายภายในจิตใจลงได้แต่ละครั้งอย่างนี้นะก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยแล้วนะ อันนี้แหละเรียกว่าเราพยายามสั่งสมบุญกุศล น, น่ะให้พากันเข้าใจเราจะไปเอาอะไระคำว่าสั่งสมบุญกุศล น, น่ะเพราะว่าบุญกุศลมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะมันไม่มีตัวตนอะไรอ่ะมันเป็นธรรมรมที่เกิดขึ้นในใจต่างหากนี้นั่นแหละเรามากลั่นตั้งแต่เอาแต่ธรรมารมอันเป็นกุศลนั่นนะอันเป็นความดีนั่นนะ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 คำว่าความคิดชั่วพูดถึงอารมณ์ชั้นละเอียดแล้วก็หมายความว่าคิดรักขึ้นมาอ่อนๆอย่างนี้นะออแต่เพียงจะคิดรักขึ้นมาในใจเฉยๆนะยังไม่คิดว่าจ ะ, จะไปแสวงหามันในสิ่งที่ต้องการนั้นอืก็รีบลัมันเลยอนะ่ะอืมก็ถือว่าเป็นความคิดชั่วของ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 มันจำเป็นนะเมื่อภาวนาลงไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันต้องเลือกแล้วัานี่นี้นะต้องเลือกอันนี้เป็นสังขารเป็นสภาพที่ถูกครุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้นะก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้นะก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละ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 ความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆมันเกิดขึ้นจากอวิชชาโมหะความไม่รู้นี่ความหลงความเมานี่ก็รู้อย่างนี้นะอ๋อความคิดความเห็นผิดต่างๆนี้มันเกิดมาจากอวิชชาโมหะนี่ก็รู้มนนะเมื่อเมื่อรู้ถูกเข้ามาแล้วอย่างนี้อวิชชาเนะี่ยมันก็ดับไป โมหามันก็ดับไป ừ, เมื่อรูต้ตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเช่น <c oughs> <c oughs> อย่างรู้ว่านี่ทุกเป็นของมีจริงแ ท, แท้เมื่อมีขันห้านี้มาตราบใดแล้วทุกก็มีอยู่ตราบนั้นเป็น <c oughs> อย่างนี้ทุกนี้ควรรู้เท่าละไม่ได้อก็ทําความรู้เท่าไปนี้คือเหตุให้เกิดทุก ควรละอย่างนี้นะก็กําหนดละไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือความดับทุกได้แก่ดับตัณหาคือความอยากในใจเมื่อดับความอยากในใจได้เท่าไหร่ทุกก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขได้แก่ทานศีลภาวนาอนี่รนี่วนจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกท่านท่างนั้นสาหรับผู้ครองเรือนนะ สำหรับนักบวชแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เมื่อเมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ความไม่รู้ความหลงความเมาต่างๆ ก, ก็หายไปเป็นอันว่าความทุกข์ย่อมดับไปโดยอาการดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้